ขอความสุขความเจริญจึงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งก็ะสุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยกำลังนำเสนอการทรกกสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคำถามของปริภาชคกับเปตสะซึ่งเป็นูดตรขนายขวัญช้าง แต่ตอนนี้มาถึงช่วงที่กุฎเจ้ารับสั่งแสดงถึงบุคคลสี่ประเภทแล้วก็มาถึงประเภทสุดท้ายก็คือการอุบัติบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็กล่าวถึงพระพุทธคุณแล้วก็การทํางานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็มาถึงข้อความที่ว่า ทรงแสดงทางามในเบื้องต้นงามในทากลางงามในที่สุดสมมปรกาศพระมจันท์บริสุทธิ์บริรบรูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทางอัฏฐะแล้วก็พยัญชนะนี้ในข้อต่อไปเนี่ยรัชสั่งว่าเครื่องบดีบุตรเครื่องบดีหรือผู้เกิดเฉพาะนนในสกุลใดสกุลหนึ่งยองฟังธรรมนั้นคันควางธรรมนั้นได้ศรัทธาในพระตถาคต เมื่อได้ตรัทาแล้วก็ย่อมเห็นตรหนักว่าขารวาดครับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรมชาเป็นทางปลอดโปรง่งการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติปรมจันให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวหลุดสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายคือเป็นการแสดงให้เห็นเรื่องลำดับขั้นตอนนะคราะว่ า, วา ถ้าเรามองจากโครงสร้างของพระธรรมคุณพระธรรมคุณนั้นที่จริงก็เป็นพระสัทธรรมทั้งสามแต่พึงสังเกตรเรามีหกข้อนะคข้อแรกคือสวะาขาโตพระกวตาธรรมโมที่แปล ว, ว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วกับอากาลิโกนหะรือไม่ประกอบด้วยการหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเวลา เป็นสถานะของพระธรรมการแสดงไว้ดีแล้วก็คือแสดงไปตามโครงสร้างของอริยสัจแล้วก็เขาก็เป็นเขาอย่างนั้นน่ยทุก็เป็นทุกสมุทยัยก็เป็นสมุทยัยนิโรธก็เป็นนิโรธมรรคก็เป็นมรรคแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือไม่มีการขั้น อย่างนี้ก็พูดละเอียดไปนะฮะขึ้นถึงระดับมระดับผลแต่พูดถึงสถานะของกระทำที่จริงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอะไรที่ทรงแสดงว่าอย่างไรก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นดูตัวอย่างอบายมุขทรงแสดงไว้สี่บ้างหกบ้างและบางทีก็ตั้งสิบกว่าข้ออย่างที่เคยพูดถึง ทางแห่งความเสื่อมเราสงแสดงจำแนกไว้ทั้งเยอะมันก็เป็นพวกอบัยมุกเมื่อเราโดยสรุปก็คือการกระทําอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากแรงผลักดันของกิเลสที่มีความเข้มข้นสูงจนเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนอย่างต่อเนื่องหรือเ บ, บียดเบียนบุนคคลอื่นให้เดือดร้อนอย่างต่อเนื่องหรือเ บ, บียดเบียน ทางตนเองและบุคคลอื่นในเดือดร้ออย่างต่อนเนื่องดังกล่าวไว้คือสามประเภทแรกเนี่ยเรก็มีปัญหาอย่างนั้นนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นในส่วนใดของโลกก็ตามทีนี้บทว่าเอหิปติโกเนี่ยเป็นปริยัติสัทธรรมเพราะงั้ น, นการจะเกิดเกิดการฟังเนี่ยคือลำดับขั้นตอนว่าคนคนนั้นคือจะเป็นใครก็ตาม จะงสรุปว่าผู้เกิดเฉพาะในะกุลใดสกุลหนึ่งมันก็ต้องต้องได้ฟังธรรมคื อ, อยังน้อยที่สุดรู้ว่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคือพระธรรมคือถ้าไม่รู้เลยเนะี่ยมันก็มันก็พูดยากนะพอได้ฟังธรรมแล้วก็จะเกิดศรัทธาเรื่อมใส คนนี้พึงดูตัวอย่างพาระยศยศคุณบุตรนั้นเป็นคนที่เรียกว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าคือปัญญาขียังไงท่านก็นรู้จักกันนะแล้วก็โดยพื้นฐานจริงๆท่านก็ต้องเคารพนับถือพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นราชกุมารของกบินลพัตน์เขาก็เป็นราษฎรในกบินลพัฒนแล้วก็เป็นอาจารย์่ ไปอยู่ด้วยกันมาตั้งห้าปีกว่าเพราะลึกๆมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็มีโทสะมีความไม่เชื่อว่าพูุ้ทธเจ้าจะัสรู้ปะยาศาสตร์นี่ไม่รู้จักเพียงแต่ท่านไปเห็นสาวสารกับนันในในปราศาสตร์เหมือนกับซากศพทีทิ้งอยู่ในป่าช้าก็รู้สึกเบื่อหน่ายอีกอัน ก็จับผ้าห่มคลุมออกไปจากบ้านก็เดินบ่นไปวันทีนนนท่นี้วุ่นวายหนอที่นี้กัดข้องหนอที่นี้บุ่นวายหนอที่นี้กัดข้องหนอพระเจ้าประทับนั่งอยู่กลางแจ้งรัสั่งเรียกว่ายะสะที่นี้ไม่วุ่นวายที่นี้ไม่ขัดข้องมาที่นี้เถอนั่งลงเถอดเราจะแสดงธรรมแก่เธอมันก็น่าตื่นเต้นนะฮนะคือว่าคนที่ไม่เคยพบกันมาเลยแต่รู้จักชื่อ จิตใจของท่ากอ่อนโยนอะ่ะพอเข้าไปถึงฟังแล้วก็เกิดสัทธาเริ่มใสเพราะ ง, งั้นความเปลี่ยนแปลงทางใจของท่านเนี่ยมันพอเกิดศรัทธามันก็เกิดความเพียรเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาดังนั้นทรงแสดงถึงขั้นตอนว่ามาเริ่มต้นที่การฟังคือเริ่มต้นที่ปัญญาปัญญาอย่างน้อยต้องรู้นะฮะต้องรู้จักว่านี้คือพระพุทธเจ้า แล้วก็มีพระเกิติคุณอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะอย่างท่านการทรกกะกท่านเปศสะที่มาเนี่ยวนี้รู้พระเกิติคุณของพระพุทธเจ้าและรู้ถึงคุณของพระธรรมแล้วก็รู้ถึงคุณพระสงฆ์พวนี้มันไม่ใช่ชั้นแรกคือเป็นการพบในชั้นพระคงหลายๆครั้งแล้วแต่พยาศษไม่ใช่คือพยาศา์นี่พบครั้งนั้นเด้อ โดยการฟังธรรมะในครั้งแรกก็บรรลุมรผลเป็นประสดับบันพอครั้งที่สองเนี่ยคือฟังตามที่พระเจ้าทรงสแสดงแก่เศรษฐีผู้เป็นบิดาก็บรรลุมรผลเป็นพระหรันทีนี้เราก็มองดูว่าเศรษฐีผู้เป็นบิดาเองก็เหมือนกัน<ะ>ก็มาถึงถามพระพุทธเจ้าว่าสมณะเห็นยะกุลบุตเรเดินผ่านมาทางนี้บ้างไหม พระเจ้ารับสั่งว่าถ้านั่งอยู่ตรงนี้แหละก็เชลอยจะพบยะสักในทีน่นี้อันนี้เกิดความเชื่อพราะพระพเจ้ารับสั่งในลักษณะประกันเหรือคนในสมัยนั้นเนี่ยเขาเทิดทูลสักจิ์มากรับสั่งในลักษณะเป็นการรับประกันอย่างนั้นท่านก็พร้อมใจก็สงบก็ฟังเทศก็เกิดศรัทธาฟังแล้วเกิดศรัทธามือนกันก็จบด้วยการเป็นมรรคบัต เพราะนตัวนี้จึงกลายเป็นหลักใหญ่ที่น่าจะพิจารณาทบทวนว่างานพระศาสนางานสืบสารพระพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องเริ่มที่การฟังการใช้เหตุผลการใช้สติปัญญาพิสรง์แสดงในรูปของภูสัจจะจะมีการศึกษาเรียนรู้มากมีการจำเรื่องราวต่างๆไว้ได้มากแล้วก็ แม่นในกฎในเกณฑ์ในหลักการสาคัญต่างๆทพิสาการอย่างยิ่งก็คือผ่านกระบวนการคิดคิดอะไร น, นี้มันมีเหตุมีผลไหมอับายมุกเป็นทางเสื่อมจริงไหมการฆ่าศาตว์เป็นบาปจริงไหมการลักทับเป็นบาปจริงไหมอะไรเนี่ยที่ยริงมันคิดง่ายๆอ่นนะนะก็แนวเราเจะเขาใส่ใจเราดังกล่าว ผนเมื่อคิดพอเกิดความเข้าใจก็ทรงแสดงว่าพอได้ศรัทธาในตถาคตเมื่อได้ศรัทธาแล้วเนี่ยมันจะหนักเลยว่าธรรมะที่ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยคือเราจะเห็นว่ายกตัวอย่างง่ายๆเชน่ชนเช่นอนุบุปปีาถาเียศัตสีเนี่ยผู้เรื่องทานผู้เรื่องศีลผู้เรื่องสวรรค์ ตรงนี้ที่จริงจะเป็นพระ ห, หรือค า, ารวา่ก็ได้เพราะเป็นการพูดเฉพาะสวรรค์แต่เด็กแต่พอพูดถึงโทษของกามกับอนิสงฆ์ในการออกจากกามเนี่ยมันจะยกระดับจิตขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งการครองชีวิตเป็นค า, ารวาสครองเรือนแบบค า, ารวาสที่รับสั่งกับ พระเจ้าปเสนเนโกศลว่านอนเบียดเสียดยัดยัดอยู่ท่ากลางปัญญาบุตธิดาเนี่ยมโกาสที่จะทําให้บริสุทธิ์สานวนในีท่านใช้ว่าเหมือนสังที่ขัดแล้วเนี่ยมันทำได้ยากเพราะงั้นให้คนกลุ่มหนึ่งที่มุ่งผลสูงสุดจึงต้องตัดสินใจออกบวช เรงเั็นว่าพลังศรัทธาเนี่ยก็ต้องสูงเพราะว่าคนยุคแรกคนยุคแรกเนี่ยเป็นเาเรียกเป็นอิสเรียชชนให้ลองเช็คดูอะเช็กดูในเจ็ดเดือนแรกที่เราชัดเจนมากจนถึงก็ไปโปรดรยาดเนี่ย เ, เช่นพวกประมาะกัจยานะอะไรแต่ออไรเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาทุกค น, นในกรุงพารณาณสี ก็มีทั้งหมดก็เก้าสิบเก้าสิบก็เป็นพวกปัญโยคีเสห้าเป็นพวกยัศะกับเพื่อนใกล้ชิดเสห้าก็เป็นสิบแล้วก็มีเพื่อนของยัศะซึ่งเป็นระดับเศรษฐีเป็นลูกของเศรษฐีเสียห้าสิบรวมแล้วก็เป็นหกสิบมีพวกเรียกว่าพัทธวัคคี คือกลุ่มของผู้เจริญก็แสดงว่ามีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูงอีกสามสิบเป็นเก้าสิบจากนั้นก็เป็นพวกปุราณชดินซึ่งเป็นนักบวชเป็นคณาจารย์เจ้ารัชชิอย่างน้อยก็เป็นนักบวชเป็นพระภิกชดินนะอีกหนึ่งพันแล้วก็พวกพราหมณ์คือบนรีข้าราชการ มาดทั้งหลายที่เป็นบริวารพระเจ้าพิมพิสารดิบตรงนั้นก็แสนสองแล้วพวกภาสาลิบุตรมีฐานะทางเศรษฐกิจดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้มันถ้าไม่ถ้าไม่ดีจริงๆคือศรัทธาไม่มีพลังจริงๆเนี่ยไม่สละละหรอกท้าสมบัติพยานที่เคยบอกว่าภาสาลิบุตรพระโปคขลานาเนี่ย ครอบครัวมีทรัพสมบัติถึงห5ร้อยห้าสิบโขดรวยมหาศาลนะแล้วสระโดยไม่อะไรจะดีเลยวันเราก็เห็นถึงพลังศรัทธาที่มันทำลายโลภะทำลายราคะแต่เวลาเกิดก็ไม่ได้เกิดลำพังศรัทธานะมันก็เกิดด้วยกันกุศลและธรรมทั้งหลายก็เกิดด้วยกันก็ทำหน้าที่ ในการขาจัดกิเลสออกจากใจบางคนงเหล่านี้มันก็มันก็จัดจะนึกแยกนึกแยกว่าคารวาสเนี่ยเป็นทางคับแคบเป็นที่มาของปัญหาต่างๆเยอะแต่คนที่คิดได้เช่นนี้ตัดสินใจแล้วก็บำเพ็ญเพียรออกบวชบาเพ็ญเพียรมรรมักผลเนี่ยมันก็มีไม่มากหรอกคือปัญหาว่าสิ่งเดียวกันแต่ว่า ไอ้พื้นฐานทางทางวาสนาทางบารมีนี่ที่แตกต่างกันจะทำให้คนมองไม่เหมือนกันแต่คนที่ขนาดสละทรัพย์สินเงินทองออกบวชโดยไม่เยอะใหญ่ไม่อะไรจะดีอะไรเลยตัวแสดงว่าบารมีสูงมากก็มีพระเยอะที่ ถูกเอาผู้หญิงมาโยั่วยวนบ้างเอาทรัพย์มาโยั่วยวนบ้างเอาผลประโยชน์ต่างๆมาโยั่วยวนบ้างเอาตำแหน่งมาโยั่วยวนบ้างแล้วก็สืบออกไปเนี่ยก็มีเยอะไปสมัยพุทธกาลก็มีนะแม้ในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแล้วก็แสดงถึงภูมิจิตภูมิธรรมของด้านทีนี้ถ้าภูมิจิตท่านสูงเนี่ยท่านก็เกิดมองเห็นว่า การให้บุคคลอยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ บ, บ ร, บววรบิบูรณ์เนี่ยยังบอกไว้แล้วว่าพรหมจรรย์ที่บริบูรณ์เนี่ยมันเป็นความสมบูรณ์ของศีลสมาธิปัญญาซึ่งที่จริงแล้วอยู่ครองเรือนเนี่ยทำได้ยากเพราะว่าพอตั้งแต่พระนาคามีลงมานะขึ้นไปนะฮะขึ้นไปถึงพระราหาันเนี่ยมันทำลายการมาราคะกับปฏิฆะได้แล้ว ันจึงไม่มีความยินดียินร้ายในอะไรทั้งหมดถ้่ก็อยู่บ้านแต่ก็มีอยู่นะะก็เรียกเหมือนคาราวาสไม่เรียกคาราวาสสมุนีเหมือ น, าาอ ก, ก, าานอก็นักบวชไปในบ้านท่านก็คิดว่าผ้าคอะไรเราพึงปรงผมและนวดนุองผมผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบันไปชิต มันก็ไอ้ภาคเกษวพัดเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องเก่านะเป็นรงชัยของพระอาหารหันต์เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของนักบวชประเภทภิกษุแล้วถ้าเราดูว่านักบวชในอินเดียปัจจุบันเนี่ยผ้านุงผมของท่านมันก็อยู่ในเครือเดียวกันคืออยู่ในเครือผ้าที่ส่งอนุญาตเป็นไว้แต่พวกปริภานชกคือที่ใช้ผ้าขาวผ้าขาวนี่เป็นผ้าต้องห้าม แล้วก็ประมาณทั้งบอกว่าเขาละ ก, กองพวกกสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ปรงผมและหนวดนุ่งผมผ้ากาซอพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตบรรพชิตเปรยผู้เว้นบาปโดยเห็นว่าในแง่ของการปฏิบัติระดับหนึ่งเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องบวชหรอกเนื้อหาสาระของความเป็นพุทธเนี่ยมันคือเว้นบาปเรียกว่าละบาปบาเพ็ญบุญ อะรล่ะบ่าวบัณฑิตวุฒิได้ก็เป็นพุทธนั่นเองทีนี้จากนั้นก็ทรงแสดงเรื่องเขาเรียกว่าศีกขาและสาชีพศีกขาก็คือข้อที่เราจะต้องศึกษาจะต้องประพฤติปฏิบัติคําว่าศึกษานี่หมายถึงการปฏิบัติ ด, ด้วยนะหมายถึงการปฏิบัติ ด, ด้วยคือสะท้อในใ้เห็นในเชิงพฤติกรรมเป็นอาการกายวาจาที่สงบจาก เวนจากภัยจากอันตรายทั้งหลายคือในพระบาลีที่กนิกายในท่านเรียกตรงนี้เอาเรียกว่าจุลศีลแบบว่าศีลขนาดเล็กนะฮะแต่ว่าที่จริงมันน่าจะแปลว่าหยาบคือว่าเป็นเรื่องที่ทั่วไปอะแต่ว่าเลิกได้ทีนี้รับสั่งแสดงเนี่ย กสั่งแสดงแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยดีจริงๆก็คือศีลเต็มนะฮะถือตามปกติเราที่เราปานาติปาตาเวรมณีสิขาพะทังสมาธิามีนีเนเน่เป็นการพูดโดยย่อแล้วข้อความเหล่านี้ปรากฏในพระบาลีไม่มากคือถ้าที่พบเนี่ยท่าที่พบก็พบในขุตกปาถะจึงเคยเคยพูดไว้มานานแล้วนะเพราะถ้าในพระบาลีที่เป็นผู้ตวัจจะจริงๆเนี่ยจะแสดง เป็นขั้นขึ้นไปนะฮะเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไ ป, ปนแปลง่ายนี่ก็ยกระดับจิตขึ้นไปเรื่อยๆรืยๆจนถึงจุดหนึ่งนี่จิตมันมีธรรมะเป็นศีลที่ไม่ต้องรักษาพราะถ้าจิตมีธรรมะแล้วเนี่ยศีลก็มันเป็นเองโดยอัตโนมัติศีลมันไม่มีอะไรอ่ะถ้าลองสังเกตสิคือถ้าเรามีธรรมะแต่ข้อเนี่ยศีลก็ไปเองเช่นสมมติว่าศีล สินห้าเนี่ยเรามีเมตตาสักข้อเนี่ยเมตตาจริงๆเนี่ยเอ้อกุศลละเจตนาที่จะไปละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองในการรับความข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันไม่เกิดเพราะนั้เราจึงพบว่ายุคต้นพุทธสมัยสิบสองปีไม่มีสิกงขบทสักข้อหนึ่งทำไมพระท่านอยู่ได้เรียบร้อยสวยงาม เพราะท่านเหล่านั้นบรรลุมรรคผลอย่างต่ำเนี่ยก็เป็นพระสดาบัภัพรอะขั้นนั้นแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วเพราะพระสุนารภัทรอยศีลท่านสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณแต่ศีล ส, สมบูรณ์ก็รับสั่งว่าเขาบวชอย่างนี้แล้วถึงพร้อมด้วยศีขาและสาชีพเสมอด้วยภิกษุทั้งหลายอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องคำมัาเสมอนี่เรื่องใหญ่เลย คำคาเดียวทีมีปัญหามาตลอดบนเส้นทางการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพราะว่าเกิดปัญหาเรื่องการไม่เสมอในเรื่องศีลกับในเรื่องความเห็นเขาเรียกว่าขาดศีรสาม ญ, ญาตาคือความเสมอกันในเรื่องศีลแล้วก็ทิฏฐิรัญญาตาความเสมอกันในด้านทิฏฐิคือความเห็นยังเวนี่ยตั้งวงคุยในหมู่ชาวพุทธเนี่ย เมื่อไรก็เมื่อนั้นนะเมื่อไรก็เมื่อนั้นจะมีความขัดแย้งในด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเห็งแล้วส่วนมากไม่ค่อยใส่ใจถึงพระบาลีพุทธวจนะก็อจะพูดตามความเชื่อถือของตัวเองตามมาติอาจารย์ของตัวเองคือแต่ละคนจะพกอาจารย์ใส่กระเป๋ามาเยอะเลย เัราเวลาประชุมเพื่อจะทำงานอะไรสักอย่างในโอโหจะยุ่งมากๆอาจารย์ต้องอยู่ในกระเป๋าต้องพกเสร็จแล้วก็อ้างอาจารย์ตัวเองคือเป็นเรื่องน่าเกลียดอ่ะอันแสดงว่าเราไม่เคารพต่อพระพุทธเจ้าถึงอาจารย์ตัวเองนำไปพูดเป็นพระบาลีพุทธวจนะแต่ไม่ใช่พูดเอง คือไปแสดงตามที่พระเจ้าทรงแสดงไม่ใช่ว่าเป็นความรู้ความเห็นของอาจารย์อาจารย์เองต้องชัดเจนในตัวเองนต้องชัดเจนในตัวเองกว่าข้อเ น, นี้พระเจ้าทรงแสดงไว้แต่ไปอย่างนั้นเนี่ยปัญหาต่อไปมายังเป็นห่วงว่าประเทศไทยถ้าไม่ปรับรัฐประนูญสองมาตรานี่มาตราสามสิบแปดกับมาตราที่เจ็ดสิบสามนี่ ต่ไปจะเกิดลทัทธินิกายเยอะเลยแล้วคุมกันไม่ได้แล้วเพราะมันเกิดวิกฤติศรัทธาลองสังเกตว่าพระป่าที่เขาเคลื่อนไหวทั้งหลายครั้งหลายหนนี่ไหมฮะม้าเทระม้าคมทําอะไรไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดอย่างนี้หลายกลุ่มมันมาทำํำไงมันเกิดเป็นทิฏฐิไม่เสมอปพระทิฏฐิไม่เสมอศีลมันก็ไม่เสมอ และยังรังเกียดกันทั้งโดยศีลแล้วก็โดยจิตฐิเหตุม้ข้อความสัานนี้เดียสมมใช้กับมาเสมอด้วยภิกษุทั้งหลายถ้าเกิดไม่เสมอแล้วก็แตกแยกก็พลาดนี่เป็นค่อนข้างแปลกนะคือหมายความว่ายังไงก็ตามคุณอย่ามีศีลวิบัติอย่ามีอาชีววิบัติ ยังมีอาจารรับวิบัติแล้วก็ยังมีทิฏฐิวิบัติคือถ้าเกิดวิบัติก็ไใดข้อหนึ่งสักข้อนี้ยุ่งทันทีหละรับไม่ได้ซึ่งก็ถือว่าอาจจะเป็นแนวที่ที่ค่อนข้างแปลกเพราะอะไรเพราะว่าที่จริงถ้าเหล่านี้เป็นคนมีปัญหาสมมติเขาวิบัติเนี่ยศีลวิบัติวิบัติขนาดไหนนะแม้แต่ปาราชิกในแง่ของพระวินัยเองเนี่ย มันเป็นประราชิชของพระตนั่นเองก็แสดงว่าพ่ายแพ้แต่ถ้าอยากจะอยู่ก็ศึกออกไปเป็นเนนหรือออกไปเป็นฉีบปะเขาออไปเป็นอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าต้นที่เราเอาเป็นนาตายกันมาเกินไปคือเขาแพ้ใจตัวเขาเองนะฮะแพ้ใจตัวเขาเองแล้วก็เป็นบาปกรรมส่วนตัวเขา พอเราไปสร้างเงื่อนไขอะไรขึ้นมาก็เลยยุ่งที่จริงตอนพระพุทธเจ้าทรงแสดงอคีกันโทรประมัสูตรเนี่ยมีเยอะน ะ, ะพระที่ปราชิกไปแล้วบางคนก็เสียใจก็กระอักเป็นโลหิต บ, บางคนก็สึกแล้วก็ดำรงเพศเป็นสรมเนณรบางคนก็สึกออกไปก็เป็นอุปสมบก็ไม่ได้ว่าอะไรอะ่ะเป็นพุทธบริษัทเหมือนเดิม ทีนี้ความคิดเห็นเนี่ยความเห็นเนี่ยเราจะขาดการประณีประนอมเราจะขาดการมองกันว่าโดยเนื้อหาตรงนี้เห็นอย่างเนี้ยเวลาปฏิบัติแล้วผลมันเกิดเป็นการลดละจางคลายข้องกิเลสหรือไม่แต่มีการลดละจางคลายของกิเลสเราก็ถือว่าถูกต้องทีงนี้วุฒิภาวะของคนเนี่ยไม่เป็นเรื่องใหญ่ คือวเวลาเราพูดเดี่ยเรามักขีดเส้นขีดเส้นมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้นที่จริงไม่หร้กคือมันเป็นความเหมาะสมสำหรับคนกลุ่มนั้นเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนถ้าในแวดวงอชาพุทเนี่ยโจมตีเรื่องพุทธภัณฑ์ิดเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตมันไม่มีเมตตาแล้วไม่มีปัญญา ไม่มีการมองนะคลกับมีพระองคงพ่อองค์หนึ่งนะเคยท่านพูดท่านโจมตีเรื่องให้รางวัลตุกตามีแล้มาก็บอกว่าเขาให้รางวัลเด็กนะเขาไม่ให้หลวงพ่อนะท่านบอกว่าทาอะไรตุกับตุกตามีไม่เห็นได้เรื่องเลยเขาไม่ได้แจกคนแก่เขาแจกเด็กเด็กก็จาเป็นต้องมีนะตุกตามีนี่เลิกไม่ได้หรอก ใ, ให้เราตายเกิดอีกสิรอยชาติมันยังมีตุ๊กตาหมีอยู่นั้นเนี่ยต่อไปหมีจะสูญพันธุ์ไปจากโลกจริงแล้วใหญ่เลยคนก็ต้องสร้างตุ๊กตาหมีเด็กมันเล่นตุ๊กตาที่เป็นสัตว์ถึงสูญพันธุไปเนี่ยมันคงจะเกิดขึ้นเยอะเลยเลิกไม่ได้หรอกมันมันเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นพิธีที่ทําให้เด็กรู้สึกอบุ่นปลอดภัยมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่รู้สึกว่าเวโดเดียวเดียวได้นะ่ะแกนอนแกนอนกับตุ๊กตาหมีแกนั่ ง, แ ก, งแกนั่งกอดตุ๊กตาหมีแกยังไงยังไงแกก็อบขุนน่รู้สึกอบขุนปลอดภัยความคิดในการประนีประนอมตัวเนี้ยสังคมรังคมพูดเราเนี่ยไม่เคยมีความประนีประนอมแล้วก็เออทํำยังไงทํำยังไงว่าความเป็นเราเป็นเขาเนี่ยความเห็นทางด้านสีนทิถติไม่เสมอกัน เพาะฉะนถ้าเราถ้าเราใช้เบรนี่ที่ยุ่งเนี่ยที่เป็นห่วงมากพระศาสนาว่าเครื่องกรอบริหารพระศาสนาไปให้ความสําคัญแก่มติของตัวเองแก่คําสั่งของตัวเองแก่กฎของตัวเองเนี่ยมากกว่าพระทับใดเอาเป็นเราตายกันนะฮะถ้าผิดกฎหมาตรมาคมเนี่ยถึงว่ากันดาความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระเราถ้าปฏิบัติตามศีล น, นะคือไม่ต้องอ่านกฎหมาตรมาคมสักข้อเดียวเลยไม่ต้องอ่านเนี่ ปฏิบัติถู ก, ถ ก, ถกต้องตามกฎหมายเมาคมเองโดยธรรมชาติก็เคยไปบรรยายอบรมมาสังคาติการที่จังหวัดชนบุรีในี่ยจได้ก็พูดประโยคนี้ป ร, กปรากฏว่าเจ้าคณะประสังคติการทุ่งติงตำหนิเยอะคือท่านต้องหา ก, การให้ปฏิบัติตามท่านเนะี่ยมันไม่ต้องเราบวชอุธิพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามของพระพุทธเจ้าสิ คือบทบัญญัติของมาเตมาคมจะบัญญัติระดับใดก็ตามมันขัดหรือแย่งกับพระธรรมวินัยไม่ได้แต่โดยสถานะเนี่ยเพียงแต่บรนต่าง ก, กันด้วยภาษาแต่นั้นเองภาษา ต, ต่างกั น, ต น, นแต่นั้นแต่เนื้อหาในภาคปฏิบัติแล้วก็จะเหมือนกันทีนี้จากนั้นทรงแสดงเป็นรูปบรรไาเราจะเห็นว่าจริงๆในชุดแรกก็คือพวกของกุศลกรรมบท น, นนะะเป็นการแสดงกุศลกรรมบท แต่ว่าเป็นการพูดเฉพาะกายสุจริตวจีสุจริตเพราะอะไรเพราะว่าเดินไปเนี่ยมโนมันสุจริตมโนมันสุจริตไปแล้วก็เลยก็ไม่เอามโนมสุจริตมาพูดเพราะว่าเวลาเดินไปแต่ละข้อเนี่ยจิตมันเดินไปเนี่ยมันจะเข้ามโนมสุจริตหมดทุกข้อเลยมโนมสุจริตก็ละไว้โดยภาค โดยผลของการปฏิบัตินะก็ทรงแสดงว่าละการฆ่าสัตว์เป้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางท่อนไม้นะวางสตราอันนี้คือศีลโดยเจ็นว่าท่อนไม้สตราเนี่ยถ้าโยมถือไม่ขาดศีล น, น, นะฮะแต่พระถือนี่ต้องอาบัตนะก็แสดงว่าเป็นศีลที่ประนีคิน แล้วก็มีความละอายมีความเอ็นดูความละอายก็คือดุริพราอดุริเกิดเนี่ยอตปาเขาเกิดเพราะเป็นธรรมะที่คู่กันแต่นี้ความ เ, านานะเอ็นดูเนี่ยไปกรุณานะะเอ็นดูนี่เป็นกรุณาไปเลยหมายความว่าเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากเมตตาเมตตามไม่ได้พูดในที่นี้นะบางทีก็พูดบางทีก็พูดก็แล้วแต่คือกลุ่มของพวกพรหมวิหารเนี่ย คือการเกิดเนี่ยเขาก็เกิดหนุนเนื่องกันไปเพียงแต่ว่าใช้กันคนละกรณีแต่นั้นเองมีความเอ็นดูคือสงสารสัตว์เหล่านั้นจิตใจอ่อนโยนมากนะมนุษย์เราถ้ารู้สึกสงสารสัตว์แล้วก็อ่อนโยนมากไม่มีแม้แต่ความคิดจะเบียดเบียนเพราะในแนวของกุศลกรรมบุมันก็หมายความว่าเข้าถึงมนุษย์สุจริตกัน เพราะความเอนดูเนี่ยคือตรงกันข้ามกับวิหิงสาหรือความคิดในทรรนองเบียดเบียนด้วยความคิดในทํานองพยาบาทแล้วก็มีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่เอนดู ure, แล้วก็เน้นที่กรุณาก็ตรงนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเอนดู ure, เนี่ยก็หมายถึงเมตตาเพราะมีกรุณาอยู่แล้วก็กรุณานั้นแปลว่าสงสารสัตว์ ต้องการที่จะให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากความทุกข์เมตตาบังเอิญดูในบางทีเป็นลักษณะของกรุณานะไม่ใช่เป็นลักษณะของเมตตาเป็นลักษณะความรักความอเด็กนี่น่ารักน่าเอ็นดูนะก็รู้สึกเป็นเป็นแนวของเมตตาระดับเมตตามากกว่าระดับกรุณาแต่บางทีเป็นกรุณานะฮะกิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูจะพึงทําต่อเธอทั้งหลายผู้สาวกกระถาคตได้ทําแล้วเพราะนั่นคำเอ็นดูนี้เป็นกรุณา เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะไม่ใช้เมตตาก็เห็นแปลกอยู่แห่งหนึ่งนะเห็นแปลกอยู่ในข้อนาลาคีรีแหละข้อผาหุงบทที่สามแตใช้เมตตาแต่ตามปกติแล้วพระเจ้าเป็นการุณาเพราะอะไรเพราะอย่างที่เคยพูดเดี๋ยวว่าเมตตาเนี่ยมันใกล้าราคาจะด้วยพระเจ้าเนี่ยหายไปเลย คือไม่ไม่มีใกล้อ่ะเรียกว่าไม่มีลักษณะของการไหวไฝพระไทยไม่หวนไหวคือมองสัตว์โลกในแง่เดียวด้วยกรุณาก็หวังประโยชน์เพ่อกุลแกษัตว์ทั้งหลายเขาเรียกว่าอนุกาโลกาอนุกรรมปรโกนะตอนนี้ก็เป็นจิตคิดอนุเคราะห์มองชีวิตทั้งหลายตกอยู่ในห่วงของความทุกข์ตนเองก็อยากจะอนุเคราะห์ อนุเคราะห์บางครั้งในโอกาสไม่ให้อย่างท่านเปตสะที่ว่าเนี่ยคือถ้าฟังพระพุทธเจ้าขยายบุคคลสี่ประเภทออกไปดังกล่าวตัวนี้จริงๆยังอยู่ประเภทที่สี่นะฮะจอยู่ประเภทที่สี่เพราะว่าเป็นการพูดเรื่องการเว้นคือการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นแล้วละการลักทรัพย์ เป็นขาดแต่การหลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่อันนี้ก็คื อ, อผู้ตึงรับนะฮะหมายความว่าพระเราเนี่เป็นเป็นพวกที่เรียกว่าพิฆาจาร์คือเอวทวดาบาตรคือไปหยิบฉวยอะไรของใครโดยพระการอะไไม่ได้จดีตช้ยเข้ามารับ นันเป็นลนักษณะการครองชีวิตอย่างส ม, มาชีคือเรื่องชีพในทางที่ชอบอย่างที่บอกว่าการแสวงหาการได้มากันรครอบครองการบริโภคใช้สอยแล้วก็โปร่งใสคำว่าโปร่งใสที่เราใช้นี่คือสะอาดหมายความว่ามีอาชีพที่สะอาดตัว น, นี้เป็นเรื่องใหญ่บันก่อนในใครมาพูดอ๋อไปชุมนุมที่สานักพุทธ พูดก็มีคนมาเล่าคือบางทีเนี่ยมาอย่างนึกว่าอาจจะพูดมากไปหน่อยนะคือโดยหลักการอะไรมันทำไม่ได้ที่ก็บอกว่าวัดวัดที่มีชื่อเสียงโ ด, ด่งดังทางภาคเหนือแต่ทีก็พูดเดระบุว่าเป็นวัดพระศรีรัตนามห า, าธาตุเที่พิศนุโลกวัดหลวงพ่อพระจินดาราศนะบอกตอนกลางวันมีพระเอา ตูบริจาคไปวางแล้วก็ตอนเย็นก็ไปเก็บออกมานับออกเป็นสมบัติถวนทัวเป็นไปไม่ได้คนะุณพูดเวอมากไปหนนะ่อยเวลาการเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้พระไปทำอย่างนั้นก็หลอกลวงชาวบ้านแล้วก็สมภารก็ไล่ออกจากวัดที่จริงสมภารก็เป็นเพื่อนกันเนดะีย๋ยวไม่ได้โทรไปคุยเขาดูอันนี่ยบางทีเราก็ไปรับฟังมาแล้วก็เอามาพูดจน ยังไงก็นึกไม่ออกนะฮะเพราะอย่างนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทําคือคนที่บริจาคเนี่ยเขาบริจาคให้วัดคือถ้าถ้าขออนุญาตวัดแล้วก็เช่นสมมติว่าเราจะไปทอดกรถินอะไรเนี่ยทอดกรถินก็บอกเืิญสมทบทุนเพื่อทอดกรถินวัดนั่นวัดนี้อย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นมันก็ได้นะฮะเป็นตัญญาประชาคมใครก็ศรัทธาจะทําก็ทํา ไม่ศรทาก็แล้วไปแต่ถ้าจะไปเอานับเป็นสบัดส่วนตัวนี่เป็นไปไม่ได้มันก็ผิดผิดแรงนะฮะตรเนี้ผิดแรงอย่างเบาๆนี่เขาเรียกว่าเป็นพันธไทยคือต้องชดช้ายคืนให้กับวัดเป็นอาชีพที่ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์แล้วก็บอกว่าละก ร, รมที่เป็นค้าศึกแก่พรหมจันทร์อันนี้เป็นภาษาที่พยายามพูดแบนิ่ม การที่เป็นค่าศึกกัพระหมจันทรย์เนี่ยก็คือการมีเพศสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นค่าศึกต่อพระหมจันทร์ทีนี้พระหมจันทร์อย่างหยาบแต่ตัวนี้เป็นเขาพูดพระนะฮะเขพูดเรื่องพระผันตรง ต, รตรงนี้แม้แต่ว่าไปจับต้องเพศตรงกันข้ามไม่ใช่เพศตรงกันข้ามอย่างเดียวนะฮะคือแม้แต่ว่าผู้ชายด้วยกันเนี่ยจับต้องด้วยจิตกําหนัดรับอบัทนะฮะ ไม่ใช่ว่าจับต้องผู้ชายได้ทุกกรณีไม่ใช่แต่จะต้องแล้วเกิดจับต้องในจิตกําหนัดปราบประบัติทุกกดผู้ชายด้วยกันดนะังนั้นวินัยของพระบางครั้งบางคราวเนี่ยคือเป็นเรื่องละเมียดละไม่ที่พยายามฝึกให้ถึงจิตคือความคิดความคิดอยากได้ความคิดกําหนัดความคิดโกรธะอะไรต่างๆ คือบรนเทาไปโดยความประนีตของศีลจริงๆพวกนี้เป็นธรรมะแต่ว่าสมาถะพระและบัญญัติเป็นศีลเป็นศีลเพื่อฝึกจิตให้ประนีตขึ้นแล้วก็ประพฤติปรมจันรย์ก็คือลดเว้นจากการเกี่ยวข้องในด้านเพศมีความระเบียดละไมนะเราจะเห็นว่าขนาดว่าอยู่ในที่รับตารับหูกับ เพศตรงกงันข้ามก็ไม่ได้ครับบทบัญญัติเราเนี้ยหมายถึงพิสุนีธรมเนรีนางติขามานามเหมือนกันนะฮะคืออยู่ในที่ลับกับเพศตรงกงันข้ามไม่ได้ตัดสอต่อสองแต่อยู่ก็ต้องมีคนอื่นอยู่เป็นเพื่อนแต่ก็ต้องระมัดระวังในการพูดกันคุยด้วยนะถ้าไปรู้สึกว่าเป็นการเกี่ยวการพูดกระทบในทางเพศแล้วก็เป็นปัญหาที่เป็เรื่องยุ่งเยอะเลยต้อระมัดระวังมาก แล้วก็บอกว่าประพฤติห่างไกลห่างไกลจะเนียจากจนถึงก็เรียกสมรวมระวังคือพระเนี่ยสมมติว่ามองเพศตรงกันครับมองผู้หญิงเพื่อไงมองผู้หญิงมองผู้หญิงด้วยจิตกำหนัดปราบบตินะฮ ป, ประบบติเพราะว่าจิตจะขุดหมัวเศาหมองมันกระตุ้นกามาราคะ แสดงว่าต้องคุมทิ้งจิตมีสติมากต้องฝึกควบคุมสติเพราะนั้นโอกาสที่จะเสมอคนอื่นจึงต้องต่อเนื่องและการปฏิบัติในที่นี้ถ้าหากว่าเกิดไม่เสมอแล้วก็กลายเป็นความแตกแยกเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะฮะคือคือเราจะเห็นว่าสีนข้อที่สามแบบสีนข้อที่สองนี่จะเป็นเรื่องใหญ่ อย่างในกรณีที่สมมติว่าพระเกิดไปฆ่าคนตายเนี่ยมันผิดกฎหมายอาญาหือเขาจับไปก่อนจับไปจับสึกไปก่อนมันผิดกฎหมายอาญาเลยก็พระก็ไม่ไม่รู้สึกรังเกียจอะไรเพราะว่าท่านก็ออกไปแล้วแล้วก็การเรื่องมีปัญหาเรื่องซัพย์ืงึงทรัพย์ตัวเนี้ยค่อนข้างละเมียดทำไมเบอร์ น, นี้เราไปใช้อำนาจหนา้าที่ตามพระราชบัญญตัติตามกฎหมายมาคมมันมากเกินไป ยังเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะเคยเตือนพระพวกบอกว่าระวังนะกฎมหาเทมาคมนะคุ้มครองอาบัตไม่ได้นะหรือใช้อำ น, นาจตามกฎมหาเทมาคมนะเช่นบริหารเงินวัดนึกจะจ่ายอะไรก็จ่ายตามลําพังตัวเองโดยไม่เป็นเรื่องของวัดและเรื่องของวัดบางครั้งนี่เขาระ บ, บุวัตถุประสงค์ไว้นะทำนั้นทำนี้ทำโน้นนี่ต้องทำนั้นตอนทำตา ม, ตา ม, ตามที่ะระ บ, บุไว้ คืบางทีก็มีคนพูดก็พูดเพลอนนะพูดมันหมันพูดเฉยเฉยพูดแบบไม่รู้เรื่องอะไรว่าวัดรวยๆเนี่ยทาไมไม่เอาไปช่วยที่นั้นที่นี้มันช่วยไม่ได้เป็นการยักย่อกทรัพย์นะฮะเป็นทรัพย์ที่เขาบริจาคให้วัดนั้นมันไม่ใช่ทรัพย์ของพระกลายเป็นทรัพย์ของสงฆ์เจตนาของผู้บริจาคเนี่ยเขาบริจาคธนุบำ ร, รุงวัดนั้น แต่ถ้าว่าเป็นศูนย์กลางแล้วก็เชิญชวนเชิญชวนประชาชนบริจาคผพ้ไปช่วยทอดพระปาทอดกระทินอะไรต่างๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เงินนี้ก็บริจาคให้วัดใดวัดหนึ่งเอาไปให้ที่อื่นนี่ไม่ได้ผิดดีในนะฮะแล้วก็ที่จริงก็ผิดกฎหมายด้วยแต่วิธีบริหารจัดการเนี่ยทำได้ คือประกาศเป็นสัญญาประชาะคมเฉลิมฉวนชักชวนประชาชนชนะฮะตั้งตู้บริจาคครับบริจาคภายในวัดกอเนี่ย เ, เพื่อจะไปช่วยเหลือวัดขออันนี้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางทีนี่เครื่องใช้ไม้ส้อยต่างๆในวัดกอเนี่ยมันเหลือเพลือเขาเรียกว่าปาติกรรมคือหมายความว่าจ่ายเงินทนุบำรุงวัดกอเสียจํานวนหนึ่งแล้วก็ถือว่า เป็นการพาติกรรมคือเอาของนั้นไปใช้ในวัดอีกวัดหนึ่งได้แต่ว่าทํำเฉยๆไม่ได้นะอันนี้คือสิ่งที่ตามปกติแล้วชาวบ้านเขาไม่รู้ในการพูดบางทีพระเองเนะฮะพระเองก็พูดพูดเพลินพูดมัน่นหรือไม่รู้ว่าถ้าทําอย่างนั้นมันก็ยุ่งนะครคือความเป็นพระเนี่ยต้องพยายามรักษาจึงและเมตและไมน้นะเราจะเห็นว่าก็ออกมาในรูปที่ว่า เว้นจากเมตุนอันเป็นกิจของชาวบ้านคือถ้าเกี่ยวกับเรื่องเมตุนนเรื่องเพศวันไหนแล้วก็จบนะก็หมายความว่าคือการขาดจากความเป็นพระไม่ได้เหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองมันต้องผ่านขั้นตอนก็กฎหมายแล้วก็มีศาลตัดสินพิพากษาตัดสินจึงถือว่าจะขาดแต่พระนี่ขาดเลยนะฮะขาดเลย เป็นไปมีเพศสัมพันธ์กับคนกับสัตว์ไม่เกี่ยวเลยนะฮะในความทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็ปรับหมดเลยการํารวจระวังจึงตึงต้องํารวจระวังมากแล้วข้อต่อไปก็บอกละการพูดเท็จเราจะเห็นว่าละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จอันนี้อันนี้เป็นเป็นสีนะเป็นเว้น แล้วก็พูดคําจริงอันนี้เป็นธรรมะแหละเป็นสัจจะดํารงคําสัต์คือดํารงความจริงอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีถ้อยคําเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกอันนี้คือสี่แต่ละข้อเนี่ยจริงเขาจะอธิบายอย่างนี้เียแต่ถ้าอธิบายอย่างนั้นโยมก็รับไม่ไหววันเลื่้นท่านก็ตัด เ, เฉพาะประเด็นแรกแต่ประเด็นที่เป็นสี ล, ล้วนๆนะ่ะ เอามาเป็นบทสมาทานกันก่อนแล้วก็ธรรมะค่อยว่ากันในตอนหลังทั้งฟังทง้งหายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงกงามไพบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายด้วยทั่วกันสวัสดี